อีกเรื่องหนึ่งนะเนีเทวปุตตะเจริยาอันี้ชาตินี้เป็นเทวดาบ้างกันนะเป็นเดรชานก็เป็นมาแล้วเป็นงูเป็นน้าเป็นช้างเป็นเป็นกระเบือมาตลอดมาเป็นคนจันทานเป็นพระราชาอันนี้มาเป็นเทวดาบ้างอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นเทพบุตรชื่อว่าธรรมโมเป็นเทพบุตรที่มีอนุภาพมากมีฤทธิ์มาก บรมีบริวารมากเป็นผู้อนุเคราะห์แก่โลกทั้งปวงก็คือเป็นผู้ที่มีใจกรุณาต่อโลกทั้งปวงเราชักชวนให้มหาชนสมาทานกุศลกรรมบท10ประการเที่ยวไปยังบ้านและนิคมมีมิสหายมีบริวารชนนะก็แสดงว่าเป็นเทวดาที่ไปเที่ยวสั่งสอนให้พวกมนุษย์ทั้งหลายสมาทานอยู่ในกุศลกรรมบท10ประการ ในการนั้นก็มีเทพบุตรลามกนะเทพบุตรใจบาปอีกคนหนึ่งเป็นผู้ตรีสแสดงอาคุโสลกรรมบท10ประการแม้เทพบุตรนั้นก็เที่ยวไปในแผ่นดินนี้มีมิตรมีสหายมีบริวารเราทั้งสองนะเราเป็นธรรมวาทีเทพปบุตรส่วนเทพบุตรองค์นั้นก็เป็นอาธรรมวาทีเทพบุตรเป็นข่าศึกแก่กันและกันมันน่าคิดเหมือนกันนะว่าเทวดาเนี่ยนะเทวดาคนหนึ่งมาสอนให้เว้นจากการฆ่าสัตว์ เทวดาคนหนึ่งบอกต้องฆ่ามาเส้นสวงเราอะนะเชื่อเทวดาไหนดีทีนี้ก็อย่างว่านะพวกคนชั่วก็นับถือเทวดาชั่วอะไรพวกคนดีก็นับถือเทวดาดีมันเป็นไปตามธาตุทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเราทั้งสองเนี่ยนะเทวดานั่งรถสวนทางกันมารถเนี่ยรถเนี่ยชนของกันและการที่แอกรถ เรว่ารถชนกันเลยนะกระทบกันยังไม่ได้ชนแบบอุบัติเหตุอะไรการทะเลาะวิวาทอันพึงกลัวย่อมเป็นไปแก่เท พ, พบุตรทั้งสองผู้ประกอบด้วยกาลยานธรรมและบาปรธรรมเกิดขึ้นว่ารถชนรถเนี่ยสงครามแน่มหาสงครามปรากฏแล้วเพื่อต้องการจะให้กันและกันหลีกทางพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าถ้าเราพึงโกรธเคืองอธรรมเท พ, พบุตรนั้นถ้าเราพึงทาลายธบ ถ้าเราพึงทำลายตาบะคุณเราพึงทำอะธรรมเทพบุตรนั้นพร้อมทั้งบริวารให้เป็นดุจธุลีได้สมมติถ้าท่านโกรธนะท่านจะทำให้พวกนั้นทั้งหมดเป็นฝุ่นหมดเลยแต่เพื่อจะรักษาศีลเอาไว้เราจึงระ ง, งับความปรารถนาแห่งใจคือความโกรธเสียพร้อมทั้งบริษัทได้หลีกทางให้แก่อะธรรมวาทีเทพประบุตรแปลว่าหลีกทางให้เลยนะแปลว่ายอมให้คนชั่วชนะไปเถอะ พร้อมกับเมื่อเราหลีกออกจากทางทําการระงับจิตได้แผ่นดินก็ให้ช่องแก่อธรรมะเทพบุตรุในขณะนั้นช่นนี้แหลที่พระองค์เล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบพระภิกษุก็มาสนทนากาันพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตก็ถูกแผ่นดินสูบเหมือนกันพระองค์ก็ยกเรื่องนี้ขึ้นไปเล่า เรื่องราวในอัตถกามีเล่าว่าบทว่าธรรมโมนามะมหายักขโขเนี่ยนะคือเทพบุตรนั้นมีอนุภาพมากชื่อว่าธรรมะเรียกว่าธรรมะเทพบุตรุศัพทโลกานุกรรมปรโกเป็นผู้มีอนุเคราะห์โลกทั้งปวงด้วยกรุณาด้วยมหากรุณาไม่ทําการแบ่งแยกนะพระโพธิสัตว์อยู่ด้วยใจที่เป็นกรุณามุ่งที่จะ บำบัดความทุกข์ของสัตว์ปรสาทั้งหลายมุ่งที่จะปลดเปลื้องให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ก็หมายความว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในความชั่วจริงอยู่ตอนทําชั่วดูเหมือนสนุกดูเหมือนมีความสุขแต่ว่ากรรมสมาทานที่เป็นอกุศลตอนทำเนี่ยสุขสบายทํานี่ดูเหมือนสบายแต่ว่าผลแห่งการกระทํานั้นเดือดร้อนเ ร, ร่าร้อนเดือดร้อนลําบากทันใจของพระโพธิสัตว์ที่มีกรุณา มุ่งปรารถนาที่จะให้เขาเหล่านั้นพ้นไปจากความทุกข์ทีนี้กรุณาของท่านก็ไม่ได้แบ่งแยกว่านี้เป็นพวกเรานั้นเป็นพวกของคนอื่นนั้นเป็นผู้นับถือเรานี้ไม่นับถือเราเป็นตน้นกรุณาของท่านก็เป็นปายในสัตว์โลกโดยไม่ทำการแบ่งแยกเลยแท้จริงทั้งนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นเทพบุตรชื่อว่าธรรมะเทพบุตรธรรมะก็คือกุศลกรรมบทสิบนะเทพ บ, บุตนะ ร, ร ท, ที่คร่งครัดในกุศลกรรมบทสิบ ธรรมเทพพบุตรนั้นตกแต่งด้วยเครื่องประดับอันเป็นทิพขึ้นทิพพรสแวดล้อมไปด้วยหมู่นางเทพอับสอนเมื่อมนุษย์ทั้งหลายบริโภคอาหารในเวลาเย็นแล้วก็นั่งสนทนากันอย่างเป็นสุขที่ประตูเรือนวันนั้นเป็นวันอุโบสถ15บห้ขมประดิษฐานอยู่บนอากาศเทวเท พ, พทเทวดานี่มาปรากฏตัวบนอากาศในบ้านนิคมราชธานีชาติชวนมนุษย์ทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในกุศลกรรมา บ, บท10ประการ บาปทำทั้งหลายจงเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการเว้นจากพูดคำเท็จเว้นจากคำซารเสียดเว้นจากคำพูดคำยาเว้นจากพูดคำเพ้อเจอ้อเว้นจากความโลภเว้นจากความโกรธกำจัดความโลภกำจัดความโกร ธ, กร ธ, กรธดำรงมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิบำเพ็ญสุจริตกายสุจริตวจีสุจริตสมอย่างจงนับถือมารดาบิดาสมณนะพราหมณ์จงอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล ท่านทั้งหลายปฏิบัติได้ตามนี้จักมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าจักมียศยิ่งใหญ่ท่านก็เที่ยวโอวาทเที่ยวสั่งสอนหมู่มหาชนอยู่อย่างนี้ดังที่พระองค์ตรัสว่าเราชักชวนมหาชนให้สมาทานกุศลกรรมบทสิบเที่ยวไปยังคามนิคมมีมิตรมีบริวารชนก็มีผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมมีคนที่ปฏิบัติตามโอวาทคาสอนของท่านมากมาย นะพอท่านสอนให้เว้นจากอาคุศลกรรมบท10ให้รักษาอยู่ในกุศลกรรมบทสิประพฤติสุดจริญสาม น, นะปฏิบัติอ่อนน้อมอ น, นะก็คือเรียกว่าอะไรนะประพฤติในกุสน ล, ละอาคุศลเจริญกุศลศแล้วก็ประพฤติจารีตที่ดีงามการเคารพอ่อนน้อมต่อผู้เจริญทั้งหลายทีนี้ตรงกันข้ามก็มีเทพปบุตรอีกองค์หนึ่งชื่อว่าอะธรรมเ ท, ทพบุตรอธรรมก็คืออาคุศลกรรมบท กรกวเทพพบุตรผู้ตั้งมั่นอยู่ในอากุศลกรรมบทเกิดในเทวโลกชั้นกามาพจรบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะคนเลวเกิดในสวรรค์ได้หรือเป็นไปได้ไหมเกิดได้ยังไงก็บอกมันก็ไม่มีใครเลวถาวรรอกมันก็มีทำดีอยู่บ้างเนี่ยนะก็ทาดีบ้างคุณงามความดีก็ให้ผลเป็นสุขแต่ไอัธยาสายเลวๆก็ไปตามเล่นงานอี ก, ก น, นะพัน เกิดในสุขติโลกสวรรค์ก็ด้วยผลของบุญแต่ว่าไอ้อัธยาศัยเลวๆที่เคยสั่งสมมาก็เป็นอุปนิสัยเพราะเทพบุตรเหล่านี้บุญก็นำเกิดในสวรรค์เพราะบุญเหล่านั้นนำเกิดบาปที่เป็นอัธยาศัยอุปนิสัยก็ตามกลุ่มรุมเบียดเบียน อธรรมเทพบุตรนั้นก็เกิดในเทวโลกชั้นกามาปจรอธรรมเทพบุตรนั้นก็ชักชวนสัตว์ทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบทสิประการโดยนายเป็นต้นสอนว่าท่านทั้งหลายจงฆ่าสัตว์จงลักทรัพย์เนี่ยนะแล้วก็แวดล้อมด้วยบริวารใหญ่เที่ยวไปในชมพูทเวทีท่านทั้งหลายจงประพฤติผิดในกามท่านทั้งหลายจงพูดเท็จพูดซอเสียให้มันแตกกล้าวรานกันเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ใช่น้อยนะพวกที่ที่เป็นอย่างเนี้ยนะ แต่อย่างสมัยใหม่ก็คือถ้าบอมองแบบภาพเห็นภาพชัดเจนก็คือพวกคนทรงที่สอนให้คนทําอักุศนกรรมบท10ประการเนี่ยนะพวกกลุ่มเหล่านั้นนั่นแหละนะก็อาจจะมีผีแทรกบ้างไม่แทรกบ้างก็จริงบ้างปลอมบ้งก็ว่าไปตามเรื่องตาราไปฝ่ายเทพบุตรผู้ลา ม, มกคนนี้เป็นคนตรณีตรณีก็คือเป็นคนริษยาคนอื่นนี่ยนะเรียกว่าไม่ต้องการให้คนอื่นเป็นเยี่ยงกับตนเพราะฉะนั้นจะต้องสอนให้คนอื่น ตกต่ำที่สุดตัวเองจะอะไรนะคนอื่นจะได้ไม่เหมือนกับตนเที่ยวแสดงอากุศลกรรมบท10แม้เทพบุตรนั้นก็เที่ยวไปในแผ่นดินนี้มีมิตรมีสหายแล้วก็มีบริวารอธิบายว่าบทว่าทีเป็นโตทศปา่าปเกแสดงอากุศลกรรมบท10คือเที่ยวประกาศชักชวนว่าธรรมลามกสิบประการเขาบอกอะแต่เขาไม่ได้ใช้ศัพท์นี่นะแต่ว่าอันนี้แสดงในฐานะผู้มีปัญญาเขาสอนนะ เขมีเทคนิคกว่า น, นี้เยอะก็ไม่ได้บอกนี่ความเลวสิประการนะท่านจงไปทําไม่ได้ใช้คํานี้หรอกเขาพูดแบบมีเทคนิคชั้นเชิงสูงมากแต่วันนี้พูดแบบคนมีสัมมาทิฏฐิก็บอกว่าความเลวลามกสิบประการมีปาณาติบาตเป็นต้นควรทําน่ยนะควรทําก็เหมือนกับสมัยใหม่ใช่ไหมโอ้ยมันต้องสงครามมันต้องฆ่าสิเพื่ออะไรเพื่อโลกจะได้สงบจะได้สุขจะต้องกวาดล้างจะต้องเข็นต้องฆ่าโลกจะไดด้้้สงงบบรรมมเเเย็นนนว ก, กีีคคคััหทิิชช นะพูดเกลีย้ยกล่อมสักคนอื่นเห็นด้วยหมดนะนะชั้นเชิงในการสอนให้ฆ่าสอนให้ผิดกาเมวิธียั่วยุให้เป็นกาเมให้ธรรมทินนาทานให้คดให้โกงเป็นต้นเขามีวิธีการเยอะแยะไปหมดนะแต่นี่ก็ก็สั่งสอนบอกว่าโอ้เนี่ยถ้าท่านทําอย่างนี้นะทําเป็นต้นสาการะชื่อว่าเป็นอาหารของสัตว์โลกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเกิดมาเพื่อเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ จะฆ่าอย่างใดอย่างหนึ่งมาบำรงบำเรอให้ตนอิ่มหมีผีมันก็สบายสุขสำราญทำไปเถอะเพราะว่าพวกสัตว์สัตว์ทั้งหลายมันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์นะมันจะฆ่าสักเท่าไหร่อะไรสักเท่าไหร่ก็ไม่บาปไม่ไม่บาปไม่กรรมรอกนะก็เพราะว่าพวกสัตว์ทั้งหลายมันเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์หมูเห็ดเป็ดไก่เป็นต้นเนี่ยนะก็เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์ท่านจะฆ่ามันก็ไม่บาปไม่ไม่กรรมอะไรรอกก็เที่ยวโอว่าสั่งสอนกันอยู่อย่างนี้ บทว่าโซเปถะคืออะธรรมเทพบุตรนั้นเที่ยวไปในชมพูทวีปนะที่ที่มนุษย์พอจะเห็นพอจะได้ยินก็เที่ยวโอวาสสังสอนอธิบายต่อไปว่าสัตว์เหล่าใดทํากรรมดีเป็นผู้หนักในธรรมสัตว์เหล่านั้นเห็นธรรมะเทพบุตรมาอย่างนั้นลุกจากที่นั่งบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นพากันสรรเสริญจนล่วงสายตาแล้วก็ยืนประนมมือไหว้กล่าวถ้อยคําของธรรมะเทพบุตรแล้วเป็นผู้ไม่ประมาท บำเพ็ญบุญทำบุญด้วยความเคารพตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีเพราะนับถือเทพพญดาเทพพ ย, ายดาดีนับถือเทวดาดีส่วนสัตว์เหล่าใดมีความประพฤติลามกเป็นคนชั่วอยู่แล้วมีการงามหยาบช้าหมายก็ว่าทำแต่ความชั่วด้วยกายวาจาใจเน่ยนะนะสัตว์เหล่านั้นฟังถ้อยคําของอะธรรมเทพพระบุตรก็พากันพอใจเป็นอย่างยิ่งประพฤติทำความชั่วยิ่งกว่าเขาอีกนะนะเคยฆ่า น้อยก็ค่ามากขึ้นเคยขโมยน้อยปล้นน้อยก็ทำมากยิ่งขึ้เคยผิดกาเมเล็กน้อยก็เอาจะหนักขึ้นแบบเดิมจากมิจฉาทิฏฐิน้อยๆก็เสริมเพิ่มไปเรื่อยๆ อ, อย่างนีน้สรุปว่าเทพประบุ ท, ทั้งสองก็มีวาทะวะวัฏะตรงนรีแ้แปลว่าทิฏฐิที่แตกต่างกันตรงกันข้ามกันเป็นค่าศึกของการและการเที่ยวไปในโลกด้วยประการชนีดสงสารในพวกคนฟังอนะเชื่อใครดีนะเนี่ย น, น <c oughs> กะก็เหมือนกับยุคนี้เนี่ยนะ คนโน้นก็ว่าอย่างหนึง่งไอ้คนหนึ่งก็ว่าอย่างหนึง่งอุย้ยจะลงเจ อ, อยยังไงเคยมีงานบางงานเนี่ยนะก็มีวิทยกรวิทยากรเนี่ยไปสอนธทำเนี่ยเรียกว่าไอ้คนฟังนี่ก็กลุ่มเดิมชุดเดิมเหมนะเช้ามาไอ้คนสอนก็สอนไปอย่างหนึ่งบ่ายก็สอนไปอีกอย่างหนึ่งเย็นก็สอนไปอย่างหนึ่งวันหนึ่งสามรอบอาทิตย์หนึ่งอะคิดดูนะรับข้อมูลที่วิจิตพิสดารมากคนฟังก็เออฟัง ไ่รู้จะทำยังไงกันดีนะฟังแล้วงงไปหมดเลยคนที่จะปฏิบัติเป็นสาระนะพวกนี้ฟังแล้วงงไปหมดแต่ไอคนที่มาฟังเออสนุกดีไ อ, อคนนี้ก็พูดมีเหตุผลไ อ, อคนนั้นก็พูดไม่เลวนะี่ก็ผ่านไปสบายนะก็มีคนหนึ่งแบบก็มีวิจิตพิสดารจริงๆยุคนี้เป็นยุคที่โลกูอ้อะไจะวิจิตเท่ายุคนี้ไม่มีอีกแล้วเรียกว่าเพียบพร้อมสมบูรณ์ไปหมดเนี่ยนะอันั้นก็สุดแท้แต่ว่าใคร ถือว่าอะไรเป็นสาระอะไรดีอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นข้อปฏิบัติแต่เชื่อเถอะทุกคนคิดว่าตัวเองกําลังปฏิบัติข้อปฏิบัติไปนิพพานเหมือนกันหมดจะไปจริงหรือไม่ก็ไม่รู้ก็เหมือนถน น, นบนอะไรนะก็เหมือนกับว่าถ น, นนบนกรุงเทพนี่แหละใครจะคิดว่าตัวเองกําลังไปไปผิดบ้างะนะทุกคนก็ไปถูกกันหมดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแม้แต่คนทําผิดเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาผิดมีไหมนักโทษทั้งหลายเนี่ยไปถึงก็สารภาพ ข้าพเจ้าผิดจริงๆเนี่ยนะโรงเรืีองเจอแบบนี้บ่อยไหมเคลื่อนรงเคลืนสารบอกทุกคนมาสารภาพผิดอนะหมายความว่าจำเลยทั้งหลายขึ้นเมื่อไหร่ก็สารภาพผิดกันหมดผิดจริงตั้งใจเขามีเขาหาว่านะเขาว่าผมเป็นเขาหาว่าผมเขาหาว่าผมทั้งนั้นเละนะผมทําไม่ทำไม่รู้เขาหาว่าผมเป็นอย่างนั้นนะก็ก็มีใครคิดว่าตัวเองผิดบ้างเพราะนี้ก็เหมือนการอย่างเนี่ย ธรรมวาทีเทพปบุตรกับธรรมวาทีเทพปบุตรทั้งคู่ก็เป็นเทวดามาทั้งคู่เชื่อใครดีใชมก็มีแต่ว่า <c oughs> มันประกาศธาตุแท้อยู่ลึกๆแล้วว่าแนวโน้มของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มกลุ่มไหนใช่ไหมพวกคนที่ฟังอ่ะนะถ้าแนวโน้มเป็นคนนักฆ่าอยู่แล้วเป็นต้นแนวโน้มที่จะล่วงอภุศลกรรมบดอยู่แล้วก็แสดงว่าใจจริงๆลึกๆแล้วเอ็ไปหาธรรมเทพเทพปบุตร ถ้าหากว่าใจพื้นฐานลึกๆเป็นคนที่สันเสริญกุศลกรรมบทพวกเหล่านี้ก็มาหาธรรมวาทีเทพบุตรเนี่ยนะอย่างสมัยใหม่ก็เหมือนกันคนที่มีอัธยาศัยน้อมไปจะเชื่ออะไรก็ได้ที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าตรวจสอบศึกษาขอให้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าน้อมไปเพื่อที่จะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นก็น้อมไปจะเชื่อจะเริ่มสายอยู่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งบอกมันยากยนะ มันยากไปมันลึกซึ้งมันอุ้ยสารพัดหาข้ออ้างก็แสดงว่าไม่เอาดีกว่าเหมือนกันพวกอะไรนะบางคนก็เลยทงถึงขนาดว่าถ้าเรียนพระไตรปิฎกแล้วจะเพี้ยนใช่ไหมยังก็ว่าไม่เรียนแล้วจะดีอย่างนันแหละสรุปว่าเทพบุตรทั้งสองคนเนี่ยนะก็เที่ยวโอวาสั่งสอนประชาชนก็นับถือกันเรียกว่าก็อย่างว่านะผู้ที่แสดงเช่นใดก็จะมีบริวารตามสมควรแก่ บริษัทนั้นนั้นพูดอะไรก็ได้จะต้องมีคนฟังเนี่ยนะยังคิดดูในะรายการถ้าทั้งเกตดูนะหมุนในวิทยุในเห็นนะจะพูดอะไรก็ได้ออกไปจะต้องมีคนฟังให้พูดผิดพูดถูกพูดสรรเสริญอะไรก็ได้พูดเรื่องหมูหมากาไกา่เรื่องเห็ดเรื่องอาหารเรื่องสารพัดอย่างดินน้ำไฟลมอากาศเรื่องโลกฟ้ามหาสมุทรใ ต, ต้พิภพเรื่องดินน้ำไฟลมมีคนฟังให้ทั้งหมดแสดงว่าตามอัธยาสายของนั้นนั้นก็ได้ว่าจะมีบริษัทนั้นๆเป็น เป็นผู้ฟังพวกผมก็ตรัสนะว่าผู้ฟังเนี่ยตามสมควรแก่บริษัทว่ทา ง, งั้นเถอะผู้ที่ที่เราผู้แสดงก็ตามสมควรแก่ผู้ฟังผู้ฟังก็ไปเลือกเอาประเภทธาตุมันใก้ใเคียงกันเอาของพวกเรานี่ก็แสดงว่าธาตุใกล้ๆกันแต่อย่ายลืมว่าธาตุมันแบ่งได้อา้าวมันสลับธาตุได้ธาตุมันกลับกลายได้ใช่ไหมแสดงว่าช่วงนี้ว่ามีธาตุเหมือนๆกันมาก่อนว่างั้นน่ยก็เรียนอะไรนะธาตุแบบจริยาปิดกเหบือนกันก็มารวมกันอยู่เนี่ยแต่มันแปรธาตุได้เรไปคิดอะไรมาก อั น, นพวกกลับมาในเรื่องการเมื่อเวลาผ่านไปอยู่มาว enfin ันหนึ่งรถของเทพบุตรทั้งสองก็มาประจันหน้ากันบนอากาศบริวารของเทพบุตรทั้งสองก็ถามกันและกันว่าพวกท่านเนี่ยเป็นของใครท่านเนี่ยเป็นของพวกของใครว่างั้นบริวารใครต่างก็ตอบว่าเราเป็นของธรรมะเทพบุตรเราเป็นของอาธรรมเทพบุตรทั้งสองฝ่ายก็หลีกจากทางรถของธรรมเทพบุตรอาธรรมเทพบุตรก็เผชิญหน้ากัน งอนรถกับงอนรถก็ชนกันเข้าว่างนะเนี่งอนเนี่ยนะงอนรถงอนงอนพูดยากนะแสดงว่าหัวรถมันชนกันกันแล้วกัน <c oughs> ทั้งสองฝ่ายก็โต้เถียงกันเพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องหลีกออกจากทางว่าท่านจงหลีกรถของท่านออกไปนอกทางฝ่ายอีกฝ่ายก็บอกว่าจงหลีกให้เราเหมงันนสรุปมีแต่คนใหญ่เลยนะมีแต่คนใหญ่ใครจะหลีกให้ใครแล้วกนี้ พวกบริวารทั้งสองก็เห็นนายเนี่ยหน้าดำขำเพียรกันแล้วก็ชักอาวุธกันแล้เตรียมอาวุธทำเตรียมทําศึก <c oughs> ที่พระองค์เล่าว่าเราทั้งสองนั่งรถสวนทางกันมารถชนรถของกันและกันที่แอกรถการทะเลวิวาทอันหน่าสะเพกลัวย่อมเป็นไปแก่เทพพบุตรทั้งสองผู้ประกอบด้วยกัลยาณธรรมและบาปประทำ ม, มหาสงครามปรากฏแล้วเพื่อจะให้กันและกันหลีกออกจากทาง เพื่อต้องการจะหลีกถักทางเนี่ยนะเรื่องไม่ได้ดูใหญ่ตัวอะไรเนี่ยนะแต่เชื่อเหอเกเลต น, นะมันยิ่งใหญ่จริงๆสักพักหนึ่งก็เห็นอะไร น, นะปากีสถานกับไออินเดียมทะเลาะกันเรื่องไอแคว้นแคชเมียร์เนี่ยนะมันก็โอ้ยก็อยู่นั่นแหละถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เลิกไม่ราไม่เลิกไม่รามาตั้งกันนมนานเต็มทีแล้วเพื่อจะแย่งไอแคว้นแคชเมียร์เนี่ยเคนฆ่ากันมหาปลัยตายกัน แต่ภาพ ก, ก็ถ่ายนะอืดจริงๆเลยนั่นอืดแบบอะไรนะแบบสับ ต, ตาเยอะๆนะมันก่อนดูอะไรนะพวกสงครามญี่ปุ่นที่เมืองจีนนะอันนี้เย็นๆดูของอินเดียกับปากีอังกฤษกับอินเดียเนี่ยนะโอ้ยขึ้นอืด ข, ขึ้นพองนะทะเลาะกันนะสงครามก็ปรากฏขึ้นนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเรื่องบางเรื่องที่คนทะเลาะกันจริงๆโดยมากเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นเลย ที่ที่มันมันทะเลาะกันเบาะแวงกันจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วนี่ก็เหมือนกันก็เรามหายุโทโธยุทธก็คือสงครามนั่นแหละสงครามมหาสงครามก็ปรากฏแล้วความที่บริวารของกันและกันเนี่ยจะรบกันเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายธรรมเทพบุตก็กล่าวกับอาธรรมเทพบุตรว่าดูก่อนสหาย ท่านเป็นอธรรมเราเป็นธรรมเพราะฉะนั้นทางจึงสมควรแก่เราท่านจงหลีกทางรถของท่านให้ทางเราเถอะอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเรามียานแข็งแรงมีกําลังไม่หวัสะดุลงเพราะฉะนั้นเราไม่ให้ทางแต่เราจะรบอีกคนหนึ่งพ้ะฝ่ายฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็ขอทางก่อนใช่ไหมเรานี่เคารพอยู่ในธรรมนะหลีกทางให้เราเถอะเพราะเราอยู่ในธรรมอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกไม่ได้เราจะรบฟังกัน ทางจงเป็นของผู้ชนะในการรบเธอถ้าใครรบชนะเอาทางไปสรุปว่าอธรรมเทพอธรร ม, มเทพบุตรก็คือเขามีการสนทนากันว่าเราเป็นผู้ให้ยศเราไปเที่ยวให้ยศนะไปให้ความเจริญแก่สรรพสัตว์เราไปให้บุญแก่สรรพสัตว์สมณะและพราหมเราก็สันเสริมทุกเมื่อเรานี้เป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาเราจึงสมควรจะได้ทางธรรมเทพบรตรุเราเป็นธรรมเทพบุตรท่านจงให้ทางเราเถอด พอเราเนี่ยไปให้ยศแก่สรรพสัตว์ให้บุญแก่สรรพสัตว์เราเคารพ บ, บูชาสัมมาณพราหมณ์นะก็อ้างคุณงามความดีว่าตัวเองเป็นผู้มีคุณนะ่ะนะเผือกทางโน้นเขาจะห ล, ลีกทางให้อะธรรมเทพบุตรก็บอกว่าเราไม่หวาสะดุ้งนะนะเราไม่แค่อะไรนะพูดว่าเราไม่เสียวเลยเนี่ยนะเรานี่มีกาลังขึ้นอะธ ร, รมมายานแข็งแรงดูก่อนทำธรรมเทพบุตร วันนี้เราจะให้ทางที่เราไม่เคยให้แก่ใครๆแก่ท่านได้เพราะเหตุไรเราเนี่ยนะโอ้ยเรานี่ไม่ไม่อะไรนะไม่เสียวเลยนะเราไม่ไม่ไม่ขนลุกแม้แต่นิดเดียวไม่โอ้ยเรื่องอะไรเราจะให้ทางท่านเราไม่ได้กลัวท่านแม้แต่นิดเดียวหรอกเหมือนั้นธรรมเทพบุตรก็บอกว่าทมนั่นแลปรากฏมากอนกุศลกรรมบทนี้เป็นของเก่าของแก่นะอาธรรมเนี่ยเกิดในโลกภายหลัง จริงๆโลกของเราเนี่ยเป็นโลกที่อยู่ด้วยคุณงามความดีมาแต่แรกแล้วเราเนี่ยนะเมื่อเราอยู่ในธรรมเราจึงเป็นพี่เป็นผู้ประเสริฐเราเป็นคนเก่าแก่ดูก่อนน้องท่านจงหลีกทางให้พี่เธอเพราะพี่อยู่ในธรรมเพราะธรรมนี่เกิดมาก่อนอาธรรมเกิดมาทีหลังเนี่ย น, นะก็คือกุศลกรรมบ ท, ม, บทมีอยู่แต่ก่อนอากุศลกรรมบ ท, ม, บทมาเกิดตอนหลังแล้วเพราะฉะนั้นน้องควรหลีกทางให้พี่อาธรรมเทพบุตรก็บอกว่า ถ้าเราพึงให้ทางแก่ท่านเราให้ก็ไม่ใช่ให้เพราะคำอ้อนวอนไม่ให้เราก็ไม่ให้เพราะคำชื่นชมหรือเรือใครสมควรแก่ทางแต่ที่แน่ๆวันนี้เราทั้งสองมารบกันเถอะทางจักเป็นของผู้ชนะในการรบสรุปว่าไม่มีเหตุผลรบอย่างเดียวถ้าใครชนะก็เอาไปแค่นี้นะแค่จะเดินผ่านแค่นี้นะต้องรบกันนะนอ ธรรมเทพบุตรก็บอกว่าดูก่อนอาธรรมเทพบุติเราเป็นธรรมเทพบุติมีกําลังมากมียศนับไม่ได้หาผู้เปรียบไม่ได้เป็นผู้เข้าถึงคุณธรรมทั้งปวงปรากฏแพร่หลายไปทั่วทิศท่านจักชนะได้อย่างไรเรานี่นบริวารเราเยอะนะพวกเราก็มากสรรพรสิ่งทั้งหมดท่านชนะเราได้อย่างไงสรุปว่าอาธรรมเทพประบุติก็มีเทคนิคของเขาเขาบอกว่าค้อนเหล็กนี่ทุบเงินได้แต่ว่าเงินนี่ทุบค้อนเหล็กไม่ได้นะ อุปมาเขานี้เขาทาใช่ไหมหากวันนี้อะธรรมจะฆ่าธรรมะได้เรานี้เป็นเหมือนกับเหล็กจะเพึงแสดงให้เห็นเป็นดุจทองคําหมือนกนทุบได้หมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นเคยเห็นเงินมาทุบอะไรนะเงินทุบเหล็กหรือว่าเหล็กทุบเงินกันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะธรรมสิต้องทุบธรรมะเหมือนกันรรอะธรรมธรรมะเทพบุตรก็บอกดูก่อนอะธรรมเทพบุตรหากท่านมีกําลังในการรบ คนเจริญและครูย่อมไม่มีแก่ท่านสรวท่านเนี่เสื่อมเสียมากนะผู้ที่เจริญทั้งหลายเจริญด้วยคุณธรรมเข้าไม่เอาท่านหรอกครูทั้งหลายก็ไม่สั่งสอนท่านหรอกเอาเถอะเราจะให้ทางแก่ท่านด้วยความไม่รักดุดด้วยความรักเราอดทนวาจาหยาบของท่านได้ยอมเขา้าให้ทางเขาเลยพอกล่าวเสร็จพระโพธิสัตว์ก็หลีกทางให้ยอมเลยนะไอ้ที่ยอมเนี่ยไม่ได้ยอมเพราะกลัว แต่พ่ออะไรก็บอกว่าหากคนเจริญเหล่านี้ครูเหล่านี้ที่เป็นบัณฑิตไม่มีแก่ท่านปียาปีเนะคือด้วยความไม่รักหลุดความรักอธิบายว่าเมื่อเราให้แม้ด้วยความไม่รักก็ย่อมให้หนทางแก่ท่านดุดด้วยความรักพระโพธิสัตว์คิดว่าหากเราดีดนิ้วมือแล้วก็กล่าวกับบุคคลบาปผู้นี้ผู้ปฏิบัติเพื่อไม่เป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์โลกยึดถือสิ่งตรงกันข้ามกับเราอย่างนี้ว่า ดูก่อนคนไม่มีมารยาทท่านอย่าอยู่ที่นี้เลยรีบหลีกไปเสียเถิดจงพี่นาเถอะถ้าหาว่าพระโพธิสัตว์พูดจบนะขณะนั้นแหละเขาจะกระจัดกระจายดุดขี้เท่าทานด้วยเด็กของเราแต่นั่นไม่สมควรแก่เราเราอนุเคราะห์ส ร, รพพสัต์ปฏิบัติมุ่งหวังว่าจากยังโลกะนะประพฤติโลกัตถจริยาประพฤติเพื่อสงเคราะห์โลกให้ถึงที่สุด ก็คนลามกนี่แหละจะมีส่วนแห่งทุกใหญ่ต่อไปเราจะพึงอนุเคราะห์คนลาโมกนี้เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเราจะให้ทางแก่เขาด้วยอาการอย่างนี้ศีลของเราจะบริสุทธิ์ด้วยดีจากไม่ขาดยอมเข้หน่อยกันละกันนะนะศีลของเราจะได้ไม่ไม่เสียเนี่ยนะเป็นคนผิดซะบ้างเสียนะเรียกอะไรนะเป็นคนแพ้บ้างนะเป็นคนผิดบ้างเป็นคนแพ้บ้างสำนวนว่าถ้าเราชนะคนผ่านนี่มันเลวมันดีตรงไหนเอางี้กัน ไปเถียงจนชนะคนเมาอ่ะอเอายเก่งมากเลยใช่ไหมเก่งยิงยิงเถียงนจนชนะคนเมาเถียงจนชนะคนบ้าอย่างงี้นะดีไหมนี่ก็เหมือนกันนี่ยเขาเรวขนาดนี้ถ้าเราไปสู้จนชนะเขาเ น, เนี่ยใครเร็ว่ากันแน่นี่ก็เหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นหลีกไปด้วยไม่ยอมเสียศีลดีกว่าเนี่ยนะเมื่อพระโพธิสัตว์คิดอย่างนี้ก็กล่าวว่าหากท่านเป็นผู้มีกําลังในการรบดังนี้เป็นต้น แล้วท่านก็หลีกทางให้พอหลีกทางให้อะธรรมเทพบุตรก็ไม่สามารถอยู่บนรถได้หัวก็ทิ่มลงบนแผ่นดินก็เอาวังซีโรว่างนั้นเอาหัวลงแผ่นดินเลยนะแผ่นดินก็แยกออกก็บังเกิดในอเวจีมหานรก <c oughs> พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนี้ว่าหากเราพึงโกรธเคืองอะธรรมเทพบุตรถ้าเราพึงทำลายตบากคุณเราพึงอะธรรมเทพบุตรนั้นพร้อมทั้งบริวารให้เป็นดุรุธุลีได้ แต่เพื่อจะรักษาศีลเอาไว้เราพึงเราจึงระงับความปรารถนาแห่งใจเสียคือใจที่จะแช่งเขาอะนะพร้อมทั้งบริษัทได้หลีกทางให้แก่อาธรรมเทพบุตรพร้อมกับเมื่อหลีกทางการระงับจิตได้แผ่นดินก็ได้แยกช่องให้แกอธรรมเทพบุตรในขณะนั้นดังนี้ก็คิดดูนะพระโพธิสัตว์ไม่ต้องเปื้อนบาปเลยคนเลวเนี่ยนะเราไม่ฆ่าเขาตายเนี่ยนะก็จริงอะนะคนเนี่ยมเกิดมาก็เพื่อรอความตายใช่ไหม เราไม่จำเป็นจะต้องไปเปื้อนบาปโรคเนี่ยนะจะต้องไปเปื้อนบาปกับใครทำไมจะต้องไปแบ่งบาปแบ่งกรรมเข้ามาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอาจจะฆ่าเขาได้จริงแต่ว่าเราจะถูกฆ่าอีกกี่ล้านชาตินะสมมติว่าถ้าอย่างที่เขาบอกว่ า, านะพนางมริกาเล่าว่าเราฆ่าแพะตัวหนึ่งเนี่ยนะเราถูกฆ่าเท่าจำนวนขนแพะเขาว่กงั้นคุ้มไหมนไม่ได้คุ้มเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมถูกฆ่าชาติเดียวเนี่ยนะ ใช่แล้วหลังจากนั้นอ่ะคือที่เราถูกฆ่าจริงมันผลของกรรมเก่าถ้าเราไม่เคยฆ่าคนอื่นไว้ก่อนคนอื่นก็ไม่ฆ่าเราโรคคนอื่นวางแผนฆ่ายัางไงคนวางแผนฆ่าตายไปก่อนซะแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าบุญก็ปกปักรักษาเพราะโลกนี้มันอยู่ด้วยผลของบุญอายุยืนก็เพราะผลบุญมาบางคนเนี่ยนะเขารักษาหมอดูแลจนหมอเกือบจะตายคนไข้ก็ยังตายเลยประมาณ น, นั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตยืนอยู่ได้อายุยืนอายุสั้นมันอยู่ด้วยผลของ บุขนาดเขาไม่ฆ่ายัางตายเลยใช่ไหมว่าเร็งฆ่าเป็นต้นเนี่ยนะเพรนเกิดมาก็เพื่อรอความตายหลายคนที่เขาฉลาดคิดคิดเป็นเนี่ยนะเขารู้จักวิธีคิดว่าทําไมเราต้องไปเปื้อนบาปเพื่อนกรรมเพื้อนอกุศล น, นะเพียงแต่รอว่าอีกสองปีสามปีหรืออีกไม่เกินร้อยปีเขาก็ตายแล้วนะี่ยนะทําไมจะรอไม่ได้เนี่ยนะทำไมเราต้องไปไปอะไรนะไปช่วยส่งให้เขาตายเร็วขึ้นเพื่อเราจะได้มีความเลวความร้ายสาบแช่งตัวเองต่อไปใน อนาคตมันการฆ่าหนึ่งครั้งการสาปแช่งผู้อื่นครั้งหนึ่งเป็นบุญบารมีให้เป็นพระบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมเป็นอะไรก็เป็นไม่ได้นอกจากสัตว์นรกเป็นต้นนะนะนอกจากเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเพราะนั้นถ้าเราฆ่าเขาหนึ่งครั้งเนี่ยนะเท่ากับวางแผนฆ่าตัวเองเป็นร้อยรครั้งนะไปเกิดเป็นปลาเพื่อให้เขาทุบหัวเป็นต้นเนี่ยนะไปที่ไหนก็ไปประสบอุบัติเหตุหัวบี้หัวแบนเป็นต้นพร้อมที่จะคอหลุดได้หมดเลยนะเพราะนั้นเราก็สร้างเหตุแห่ง ความชั่วร้ายเอาไว้ก็ดูช่างดูว่าการทําบาปหนึ่งครั้งมีโทษปานใดแค่ไหนอย่างไรถ้าเว้นจากการทําบาปนั้นน่าดีใจขนาดไหนถ้าเราดื่มยาพิษหนึ่งครั้งเสียหายแค่ไหนถ้าเราดื่มยาหนึ่งครั้งมีอุปการะคุณเพียงใดก็แยกเอาแยกกุศลกับอกุศลให้ออกว่าถ้าดื่มอกุศลกรรมบดเข้าไปอะไรจะเกิดขึ้นถ้าบริโภคกุศลกรรมบดต่อไปจะมีคุณอย่างไร สรุปบอกว่าบทว่าศีละรักขายะเพื่อจะรักษาศีลนิบานะเปตะวานะสงบใจด้วยความสงบความกระวนกระวายที่เกิดจากโทสะโดยไม่ยอมให้ความโกรธไม่ยอมโกรธในอธรรมเทพพุทรนั้นเกิดขึ้นเราเข้าไปตั้งไว้ซึ่งขันติกก็คือเต็มไปด้วยความอดทนน่นะมีเมตตาหวังที่จะให้เขาประสบแต่ความสุขมีกรุณาไว้ล่วงหน้านะ ถ้าซือ้อสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะท่านจะต้องตั้งเอาไว้ก่อนท่านบอกว่าเราเข้าไปตั้งขันติเมตตาการุณาไว้ล่วงหน้าแล้วดูนะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันเกิดเองแต่เกิดจากการตั้งเอาไว้แล้วท่า น, นชีวิตของเราเนี่ยเราเข้าไปตั้งไว้ก่อนไหมในการดาเนินชีวิตแต่ละวันแต่ละวันที่เป็นไปเนี่ยนะต้องเข้าไปตั้งไว้ด้วยคุณธรรมทั้งหลายตั้งด้วยขันติเมตตาและกรุณาถ้าไม่ตั้งไว้เจอเหตุการณ์เหล่านี้อะไรเกิดขึ้น แค่เขาเฉียวเราเนี่ยนะเราก็ด่าเขาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยนะเขายังไม่ได้ชนเราหน่อยถ้าชนเราตายแล้วแบบนี้นะเพราะอะไรถ้าด่าเขาเสร็จแล้วก็ตายพอดีเนี่ยจะไปไหนดีคิดแล้วเศร้าเลยนะเยใครจะประทุสล้ายเราเท่ากับเขาบอกว่าในโลกนี้ใครจะทําลายตัวเองได้เท่ากับตัวของเราเองเนี่ยนะบางทีเขาด่าเราแค่คําเดียวที่เหลือเราไปคิดเองว่าเขาด่าเราเนี่ยนะคิดอยู่สามวันไม่เลิกเลยนะใครมันหนักกว่าใครก็ไม่รู้นะ บางทีคนด่าเขาลืมไปตั้งนานแล้วว่าเขาด่าใครไปบางทีเขาพูดเล่นๆไปนะอีกฟาาหนึ่งก็เก็บแล้วเก็บมาคิดนะสรุปว่าใครทำบาปแบบใครกั น, น mm hmm. แน่ก็ใจเอ้ยใจเนี่ยนะจะพาไปบาปที่ถึงไหนจะพาเราไปทำบาปที่ไหนเนอะ ทำไมแช่งตัวเองขนาดนี้นะเป็นคนที่เกิดมาเพื่อสาบแช่งตัวเองก็ให้แกเดือดร้อนก็ให้แกนอนไม่หลับก็ให้มันเด้าร้อนนั้นเขาเขาด่าคําเดียวก็ให้เราคิดเป็นล้านครั้งเป็นหมื่นครั้งเป็นโกรธครั้งจะได้ทุกข์นานๆจะได้ทุกข์เยอะๆทุกข์มากๆทุกชาตินี้ด้วยทุกชาติหน้าด้วยทํำลายตัวเองด้วยเนะี่ยนะอ๊ยไม่รู้จะสาบแช่งตัวเองไปถึงไหนก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าแต่ก็พื้นฐานเราต้องตั้งคุณธรรมไว้ก่อนต้องเข้าไปตั้งขันตตขันตนตคืออะไร คำว่าอดทนกับทนอดไม่เหมือนกันนะอดทนก็หมายความว่าคือเข้าใจนะว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมก็ก็เหมือนอย่างว่าถ้าเราเดินผ่านสุนัขสุนัขทําทำยังไงมันยิ้มเลยใช่ไหมมันก็เห่าบ้างธรรมดาเวลา ไ, ไปทําอะไรก็เขาคือสุนัขถ้าเราเข้าไปในป่าแล้วยุงมันกัดจะไปไว่าอย่างไงไปทะเลออาะกับยุงเลยมัามีคนโง่แนละ้วบอกว่าอะไรนะมันมีคนโง่อยู่คนหนึ่งจริงๆมีเรื่องจริงนะอยู่ในชาดกมีคนโง่คนหนึ่งนะ ยงมันกัดที่หน้าผากบอกลูกๆช่วยฆ่ายุงให้พ่อทอีก็ไปเอาขวานมาเลยจามเข้าไปที่หัวพ่อนีาา่นะเพรามันกัดที่หน้าผากนะแล้วก็ไอ้ลูกนี่โง่ก็เลยถือเอาขวานนี่มาสับที่หน้าผากเข้าไปเนี่ยนะมันก็ได้ความไม่ฉลาดนี่ทําอะไรคนโง่แก้ปัญหานี่มันเดือดร้อนเข้าไปทุกทีไป นี่ก็เหมือนการถ้าเราไม่ตั้งไว้ในคุณธรรมเราไม่เข้าใจอะไรเลยเนะีเราก็จะเดือดร้อนอยู่ร่ำไปอยู่หน้าฝนฝนมันก็ตกอยู่หน้าหนาวอากาศมันก็เย็นหน้าร้อนมันก็มันก็ร้อนเป็นต้นเป็นเรื่องธรรมดาเราเข้าไปใกล้คนพานก็คนพานนะนะอย่างที่ยอมเขาว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ใกล้เสือใกล้จระเข้เนี่ยนะนะถ้ามันถ้ามันกอดเราเนี่ยนะแหมมันกอดพร้อมตั้งเล็บใช่ไหมขวานมาทีหนึ่งเราก็เดือดร้อนแล้วก็เพราะว่าเข้าเป็น เป็นคนพานฉันใดพวกเราก็ตั้งเข้าไปตั้งคุณธรรมเอาไว้ให้ดีๆเนี่ยนะก็ไปตั้งคันติตั้งเมตตาตั้งกรุณาเอาไว้ให้ดีไม่งั้นเราก็เปื้อนบาปมาอีกจนได้เนี่ยนะ <c oughs> สรุปเมื่อธรรมเทพบุตรเอ่อขออภัยเมื่อธรรมเทพบุตรตกลงในแผ่นดินอย่างนี้แผ่นดินที่หนาสองแสนสี 2, 40, ่มืนโยกปกติแผ่นดินทรงได้ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีทรงได้ทั้งดอกไม้ของหอมและอุจจาระปัสสาวะเป็นต้น แต่นี้ก็ทนไม่ได้ก็แยกให้อธรรมเทพบุตรที่ยืนอยู่ตรงนั้นที่กล่าวว่าเราไม่สามารถทรงบุุษชั่วนี้ไว้ได้ก็เระว่าจุติจากเทวดาปฏิสนที่ในอเวจีส่วนพระโพธิสัตว์เมื่อธรรมเทพบุตรนั้นตกลงไปเกิดในอเวจีมหานรกก็ยังยืนอยู่ที่แอกรถพร้อมกับบริวารด้วยเทวานุภาพใหญ่เสร็จแล้วท่านก็ไปตามทางนั่นแหละไปยังพบของตน พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมเทพบุตรมีขันติเป็นกําลังนะสงครามครั้งนี้ท่านใช้การขันติเป็นกําลังชนะอธรรมเทพบุตรผู้มีกําลังในการรบทํามอธรร ม, รรมเทพบุตรฝังไว้ในแผ่นดินอดทนอย่างเดียวแล้วอีกฝ่ายเนึ่ยก็ก็จูติไปหลายคนก็บอกว่าโอ้ยมันต้องฆ่าเขาสิเราจึงจะชนะเสร็จแล้วพอเราฆ่าสมมติเราฆ่าอีกคนหนึ่งเสร็จใช่ไหมไอคนที่เหลือก็มาฆ่าเรา สรุปถ้าเราถูกฆ่าสักครั้งเดียวเนี่ยนะถา้าคือตั้งคําถามแบบนี้ว่าเราฆ่าอีกคนหนึ่งตายเสร็จและคนที่คนหลังก็มาฆ่าเราตายกับถ้าเราฆ่าถูกฆ่าตายตั้งแต่ตอนแรกกันไหนดีกว่ากันถูกฆ่าตายซะตอนแรกก็ดีกว่าเราฆ่าใครตายสักคนหนึ่งเสร็จและอีกคนหนึ่งก็มาฆ่าเราใช่ไหมเราก็เปื้อนบาปด้วยถูกฆ่าด้วยถูกฆ่าซะตอนแรกเขาเรียกว่าจ่ายแค่ทีเดียวใช่ไหมถือว่าจ่ายทีเดียวซึ่งไม่ต้องไปกู้ใหม่เพิ่ม มันบางทีก็ต้องคิดให้ดีๆเนี่ยนะว่าไม่ใช่ว่าเราฆ่าคนอื่นแล้วเราจะอยู่รอดอยู่ได้เคยได้ยินหรือชีวิตของเราอยู่ได้เพราะการฆ่าผู้อื่นจริงอยู่ไม่ถูกฆ่าวันนี้ก็จริงแต่ว่าวันหลังๆล่ละในที่สุดก็ตายจนได้เพราะว่าศาตร์ทั้งหลายเกิดมาเพื่อจะตายอยู่แล้วเหมงอนนขนาดเ้ายังไม่แช่งก็ตายไปแล้วอย่างนี้นะเขาอ้อนวอนขอร้องอย่าเลยร้องให้ระ ง, งมไาอย่าเพิ่งตายเลยหนีตายไปฉิดไปเลย สรุปบอกว่าธรรมเท พ, รรเทพบุตรเป็นผู้มีกำลังอย่างยิ่งไม่ล่วงสัจจะใจดีดีใจขึ้นรถไปตามทางนั่นเองคือท่านก็รู้ว่านะว่าผลบุญผลบาปนะเพราะใครทำเช่นใดก็สเสวยวิบากเช่นนั้นนั่นแลก็เราก็ไม่ต้องไปเปื้อนบาชไมถึงคนอื่นเ็าตกนรกไปสู่อาบายทุกขติวินิบาทแต่เราไม่ได้ไปทำบาป ท, ทากรรมกับเขาเลยเขาก็ไปตามทางของเขาเส้นทางของใครก็คือทาง ของใครเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นทางไหมเป็นเป็นมรรคอยู่แล้วแต่ว่ามรรคไปไหนล่ะ น, นะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่แหละเป็นเหตุแห่งคติทั้งห้านะเป็นเหตุแห่งนรกเปรตอสุรกายเด ร, รชานเป็นเหตุแห่งมนุษย์เทวดาและพรหมโลกกายวาจาใจเหล่านี้แหละเป็นเหตุแห่งพระนิพพานก็สุดแท้แต่การกระทําทางกายวาจาและใจนั่นแหล ะ, ะทำเทพบุตรก็คือ พระเทวทัตอีกนั่นแหละเนี่ยนะโอยแต่ก็ถามว่าเอ๊ะพระเขามีคนถามว่าพระเทวทัตเลวขนาดนี้ไปเกิดเป็นเทวดาได้ยังไงเลวขนาดนี้เดี๋ยวก็เป็นพระราชาบางชาตินีเห็นไหมพระโพธิสัตว์ก็เป็นอะไรเป็นเดรัจฉานพระเทวทัตบอกเลวเหลือเกินทําไมเป็นมนุษย์น่ะตกลงใครแน่กับใครกันแน่แต่จริงๆแล้วเหตุการณ์เหล่านี้ดูเหมือนอยู่ใกล้กันแต่จริงๆห่างกันไม่รู้กี่หมื่นล้านปี มันห่างกันมากเหลือเกินเนี่ยแต่ว่าการการเอามาพูดเรียกว่าไกลก็เหมือนกับใกล้ใช่ไหมเหตุการ์ <_ d ata> าร้อยปีเล่าอภายในสามนาทีก็จบหมดองั้นะ <_ d ata> ใช่ไหม <_ d ata> พุทธประวัติเนี่ยเล่าสองนาทีจบเลย <_ d ata> อะไรนะบําเพ็นก็พระองค์บําเพ็นบารมีมาจึงได้ <_ d ata> เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปรินิพานตอนนี้เ <_ d ata> หลือแต่พระาธาตุ <_ d ata> จบหมดใช่ไหมแป๊เดียวเนี่ยจบหมดแล้วอย่างนั้นมันก็เรียกว่าย่อเรื่องเนี่ยโดยวาจาย่อไม่ยาก พันเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ก็เหมือนกันบางทีก็เอามาชนชนกันเฉยๆเท่านั้นแหละสรุปบริวารของอะธรรมเท พ, พบุตรก็คือบริวารของพระเทวทัตน์นั่นแหละธรรมเท พ, พบุตรก็คือพระพุทธเจ้าบริวารของพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเทวดาเหล่านั้นก็คือพุทธบริษัทเนี่ยนะก็อย่างว่านะคนที่นับถือพระพุทธเจ้าก็นับถือมานานแล้วนะของเราทั้งหลายก็อาจจะเป็นอะไรนะเป็นทายาทตระกูลพระพุทธเจ้ามาหลายชาติแล้วนะแต่ว่าเป็นพวกแบบอะไรนะ พวกห่างๆนะพวกหลังเลิปๆนู้ น, นห่างก็อะไรนะเชื่อสกุลเดียวกันนั้นนะ<ส substance>ก็ก็เลยใบมานับถือพระพุทธเจ้าในตอนตอนท้ายเราไม่เลือกที่จะนับถือปะเทวทัตเนี่ยนะสรุปว่าคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ในชาตินี้มีอะไรบ้างคุ ณ, ณานุภาพของท่านก็บอกว่าการที่พระโพธิสัตว์เปี่ยมไปด้วยอายุวันนะยศความสุขและความเป็นใหญ่ใน ในสวรรค์เนี่ยนะอันเป็นทิพสมบูรณ์ด้วยกามคุณที่ยิ่งใหญ่อันเป็นทิพเหมือนกันมีนางอับซรเป็นพันบริวาร น, นะมีนางอับซรบัมเรออยู่เป็นนิดเรียกว่าน่าจะตั้งอยู่ในความประมาทใช่ไหมสมบูรณ์ขนาดนี้เนี่ยนะอายุก็ยืนวันหน้าก่องามยศก็ใหญ่เต็มไปด้วยความสุขรูปเสียงกลิ่นรสมีบริวารเต็มควรที่จะอยู่อย่างสบาย แทนที่จะตั้งอยู่ในความประมาทแบบนั้นแต่พระองค์ก็ไม่ได้ถึงความประมาทแม้แต่น้อยมาสอนธรรมะในวันสิบห้าค่ำทุกๆุกึ่งเดือนหรือว่าสอนทุกสิบห้าค่ำทุกเดือนหวังว่าจากปฏิบัติโล ก, กัฏเจริยาให้ถึงที่สุดเรียกว่าปฏิบัติเพื่อจะสงเคราะห์โลกคือ การที่พระองค์จะจาริกสงเคราะห์สัตว์โลกเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงจะสงเคราะห์ใช่ไหมก็ต้องฝึกงานมารู้มาเท่าไหร่นะฝึกงานไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วจึงได้มาทํากิจในตอนสุดท้ายเรียกว่าผ่านการทดลองมาอย่างช่ำชองไม่ใช่ว่าโอถึงเวลาก็ขึ้นไปเลยแล้วขึ้นไปเป็นอะไรกันเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ได้ประพฤติโลกัธิจริยามาจะประพฤติพุท ธ, ธะตะจริยาได้หรือในที่สุดพระองค์ก็พร้อมด้วยบริวารเที่ยวไปในทางของมนุษย์ เพื่อจะยังสัรพสัต์ให้เว้นจากอกธรรมคืออกุศลกรรมบทนะเพราะอะไรเพราะพระองค์นี้ประกอบด้วยพระมหากรุณามุ่งหวังที่จะให้สัตว์ทั้งหลายออกจากอกุศลกรรมบทเมื่อออกจากอกุศลกรรมบทแล้วจะได้ตั้งมั่นในกุศลกรรมบทประพฤตในทางแห่งสุขติคุณธรรมอันอื่นอีกของพระโพธิสัตว์ก็คือแม้พบกับอธรรมเทพบรก็ไม่ได้คำนึงถึงความไร้มารยาท ที่อธรรมเทพบุตรแสดงออกมาเรียกว่าไม่สนใจในคําพูดของคนเลวไม่ทําจิตให้โกรธเคืองในอธรรมเทพบุตรยังขันติเมตตาและกรุณาเท่านั้นให้ตั้งอยู่เอนดูนี้แปละว่ากรุณาเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยสมาทานอยู่ในขันติเมตตาและกรุณารักษาศีลของตนไม่ให้ขาดให้บริสุทธิ์ได้เป็นอย่างดีคุณธรรมเหล่านี้ทําให้พระองค์ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศในโลก พร้อมทั้งเทวโลกที่พระองค์บอกว่าในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์สีทา้าจนถึงอรูปปพรมก็ตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศประเสริฐสูงสุดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกนะเป็นศาสดาผู้แนะนําประโยชน์ทั้งสาให้แก่สรพรพสัตว์ทั้งหลายมันก็เราเขาทั้งหลายก็ชื่อว่าได้ดีแล้วที่มีพระศาสดาที่มีคุณเช่นนี้นะก็คงไม่เบื่อไม่น่ายที่จะนอบน้อนมนมัสะการพระองค์ไม่เบื่อที่จะบูชาด้วยอมิตรบูชาและ ปฏิบัติบูชาเป็นต้นการบูชาเหล่านี้จะบูชาด้วยอ ม, มิตรและการปฏิบัติการบูชาเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราทั้งหลายตลอดการลนานขอให้เราทั้งหลายได้ประสบกับประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าประสงค์ทุกประการทั่วหน้ากันมันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้